นะดีตอนนี้ก็มีเด็กๆนะเ mm hmm. รือว่เขาไปโชคดีนะไม่มาตื่นเต้น mm hmm. แม้ไม่ได้เต็มที่นะใน2 0 3ตเปอร์เ hmm. ซ mm ็นต์ก็ดีนะไม่เป็นไร น, นะ mm hmm. หรือเราดูตัวเองก็ได้นะ mm hmm. เราเผู้ใหญ่แต่ก็ทำเต็มอี่อ น, นะนะได้กีรีส์มาเอ็ mm hmm. <c oughs> ได้ติดครึ่งไว้อ่าาทีจะตั้งใจเติม้าใจยกมืนเนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะรู้ตลอดเนาะแล้วก็ฟุ้งซ่านบางทีก็ลืมีมมันเลยเดินไหนรอบอมาคิดได้อีกทีระลึกได้อีกทีกำเลยยกมือไปไม่ถ่ายรู้ตัวท้าไหนพอมันจะพบกับไปรู้ตัวก็มีใช่ไหม นะแต่มันก็ดีนะดีกว่าอะไรถ้าเราไม่มาปฏิบัติเลยบางทีอาจจะรู้แค่หนึ่งสองสมเป็นในแต่ละวันบางทีเราก็แช่ยืนนะภาวนาทำในชีพป็จะจำมันก็ได้นะแต่พอไม่มีรูปแบบบางทีก็ก็ง่ายที่จะเพลินเพลินไปกับความคิดเนาะมันคิด น, นั่นคิดนี่หรือเราอยู่ในตลาดนะแต่วภาวนาก็ได้นะแต่มันก็เพลินในการดู เปินในการคิมเปิดในการซื้อนะบางทีเดี๋ยวเราคุยกับผู้คนนะเราก็ว่าภาวนาได้บางทีนะแต่ทีเราก็ส น, น, นะ น, นุกนะสนุกกับการคุยเพลินกับเรื่องที่ฟังนะเราดูหนังฟังเพลงภาวนาได้นะแต่มันก็เพินนะมันก็คือพวกนี้มันก็เป็ น, นะ น, น, น, นตัวทำให้เราเพลินกับอารมณ์ได้แต่คำว่าภาวนาได้ปพราะที่มาคือ เราก็อยู่ในสิ่งที่สิ่งแวเราอมนง้นได้แต่เราก็เห็นกลับมาดูตัวเองได้นะนเรียกว่าภาวนาได้ในกันอันนี้นคือในชีวิตประจําวันบางทีมันก็มันก็มีตัวทดสอบมีตัวเยอ่อยยวนเยอะหน่อยนะแต่ถ้าเรามีศรีตั้งมั่นเราก็ ด, ดูได้หรือไม่ถึงกับตั้งมั่นแต่พยายามกลับมาดูบ่อยๆว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่หรือ พออารมมเกิดขึ้นมาเราก็เห็นเราก็รำเลยนะแค่คนะือมันก็จะในแต่ละวันมันก็จะสามารถปฏิบัติทำไปได้เรื่อยๆแต่ตอนปฏิบัติจริงๆนะตอนทําในรูปแบบแม้วันนี้เราจะมาทําในรูปรูปแบบเยอะแต่ก็จะเป็นข้าศัตรูเพรามันจะได้ร้ยเปอเซ็นต์เนาะ <c oughs> ทาเท่าที่มันได้นะแต่เราก็ยังทําเหตุทําเหตุคืออะไร ทำในรูปแบบเช่นเดินจนกรงยกมือข้างจังหวัดแล้วก็ทำเหตุออย่างคือเลวลามันคิดก็ไม่ต้องไปสนใจอตอนคิดก็กลับมารู้สึกตัวนี่คือการทาเหตุอย่างหนึ่งนะความคิดก็ดีอารมณ์อะไรก็ดีเกิดขึ้นมาอยากขึ้นเป็นให้ค่าจะต้องสนใจเขาก็ตลับมาอยู่กับสิ่ง ท, ที่ทําให้ค่าอย่างครับเราเรียนหนังสือเนาะเราอยากจะเข้าใจ เราอย จ, จะเรียนเก่งๆตอบได้ที่ดีๆหน้าที่เราก็คือตั้งใจทำคุณครูสอนตั้งใจอ่านหนังสือรอบทวนใช่ไหมน่ะเราก็คือแค่ตั้งใจทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดน่พอมีเพื่อนมาชวนไปเล่นเราก็ไม่วอกแปกไปใช่ไหมนั่นก็คือแค่นั้นหน้าที่เราก็แค่ตั้งใจทําในสิ่งที่เราทําให้ดีที่สุดแต่มันจะได้มากแม้ไม่ถนานไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ต้องวางใจเหมือนกันบางทีบางคนคิดว่าปฏิบัติธรรมเจ็ดวันนะโตัวเจ้าบอกเจ็ดวันเจ็เกือนเจ็ดปี น, น, นนะมีคติอยู่สองอย่างนะไม่เป็นพราอนาถามีก็เป็นพราราหัน <c oughs> นะแต่นั้นคือที่ท่านตัดแนั้นคือผู้ที่มีสติที่มันเป็นอัตโนมัติแล้วจับหลับความรู้สึกตัวได้ดีนะความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นโดยที่นะ แต่ตั้งใจไม่ตั้งใจมันก็รู้ตัวของมันเองเป็นธรรมชาตินะ้แบบนั้นอ่ะเข้าขั้นเจ็ดเือนเจ็ดเจ็ดเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนะแต่ที่จริงอาจจะไม่ใช่ว่าต้องเป็นตัวเลขเป๊ะๆหรักแต่ท่านก็เพียงแค่ว่าให้กำลังใจว่าถ้าเรามีสติเห็นอารมณ์เห็นร่างกายเป็นแบบธรรมชาติรู้สึกตัวเป็นเครื่องคุ้มครองกายคุ้มครองจิตไปแล้วนี่ยไม่นาน กขาต้องเข้าใจธรรมะแน่นอนอันนี้คือถ้าเราทํำนะเรื่อยๆนะก็เรียกว่าสติเป็นอัตโนมัติก็ได้เนปะ็นอัตโนมัติไม่ได้ตั้งใจไม่ต้องตั้งใจที่จะต้องรู้สึกตัวทำชัดๆนะแต่จริงทําทำเบาๆก็รู้สึกตัวได้ใจมันขึ้ น, นมาอนะ่ไม่ต้องไปดึงกลับมาแค่เห็นแนละ้วมันก็กลับมามเอง นะนง่ายนะกาโยงเป็นไงบ้างวันนี้ใครมีคำถามใครจ ะ, ะรายงานก็เชิญเนาะถ้าไม่มีมาจะถามนะเพราะฉะนั้นถามกันมาดีกว่าให้มาถาม เน่ยคุณม่แม่อน the ี้มีสองม่นะมาปฏิบัติทางกัูกกเป็นไงเห็นอารมณ์อะไรนีมมีตามแม่เลยเหรอเห็นอารมณ์ความรู้สึกตีไงบ้างก็ก็เห็นเห็นตอนแรกก็โอ้เวลาที่เขาซนทำอะไรเนี่ยแล้วก็อีกอันก็ครู้สึกเปลงใจกันหนมากแต่พอมาคิดอีกทีหนึงแล้วอย่างที่ท่านบอกว่า ลองคิดเหมือนตอนเราเป็นเด็กอ่ะเราคงเราคงยิ่งกว่านี้หรือเปล่าอะไราเงี้ยเขเลยอดเบาลงแล้วกค่อยพูดกับเราค่ะก็เป็นครั้งแรกของตัวเองด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกของลูกด้วยนะะแล้วลูกก็สิบเอ็ดขวบลยไรเงีจง้ จ, จริงๆเขาให้ตามรูกมอที่มานี่แล้วก็พอเห็นจาก ด, ด, ด, ดูแล้วนะแต่พอเขายุ้งยิ่งยิ่งเลยเราก็ ไม่รูกเราแน่จะได้ดีว่านี้ไหมอไรนั่นคือเพราะอยู่บ้านเว่าจะมีกิจกรรมอื่ที่เราไม่เห็นถึงความไม่นิ้งหรืออะไรถองลูกอ่ะแต่พอมาเราก็อยากให้ลูกมันไม่แค่นี้แหละเดียววันหลังจะพยายามอีกนะคะไม่กล้าพูดนมีลู้อยู่แต่จริงพูดตรงนี้ลูกดูทางหน้าก็ได้ยินอนู่ ไ็่เป็นอะไรเราเดียวนะอือันเนี้ยคือเห็นเห็นความรู้สึก ข, ของเราเลยนะเดียนะคือแต่ถ้าเราไม่เห็นคือที่จริงนะอย่างเลี้ยงรูป น, นะก็เห็นอะไรบางทีเราก็ไม่พอใจเขาบางทีเราก็อพอใจเขาคือบางทีอย่างที่มาพูต้ตาแม่บางทีเราคิดว่าบางทีตู้จะมีความสุขแต่จริงก็สุขระดับกับทุกันนะใช่ไหมฟังเขาดีเราก็สุขฟังเขาฟังเขาไม่ดีเราก็ทุก เราคิดว่าเขาจะเป็นความจริงจริงเป็นจริงก็ไม่จริงเลยนะใช่ไหมเพราะเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับก็ได้นะใช่ไหมหรือบางทีบางทีลูกก็ดีนะลูกก็ดูแลตัวเองดีแต่พ่อแม่บางคนก็ยังห่วงใช่ไหมยังห่วงลูกสามสิบสี่ปีก็ยังเป็นหนูของของแม่ของพ่ออยู่ใช่ไหมหรือบางทีแล้วก็ไปห่วงห่วงหลานต่อใช่ไหม เลียงมือยังไม่อ็ยงังเลี้ยงหลานต่อห่วงหลานต่อแต่ถ้าเราจะภาวนากับการเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานท่านโยมนะคอดูต้องจับดูร่างกายแล้วก็เวลาเราสัมผัสกับเขาเราดูอารมณ์ความรู้สึกในใจของเราไปด้วยไม่ใช่ว่าบังคับมันจะต้องเฉยหรือบังคับว่าใจต้องดีต้องมีเมตตาต้องทุกอย่างแต่เขาแสดงให้เราเห็นอารมณ์เช่นความห ง, งุดหงิดเกิดขึ้นาเราเห็นละ อเห็นความเคีงใจเกิดขึ้นมาอย่างนี้เห็นความไม่พอใจนะเห็นความคาดหวังคาดหวังว่าเขาต้องดีกว่า น, นี้นะแต่ถ้าเราเออยอมแล้ก็ตอนนี้เขาเป็นแบบนี้นะเราก็เราก็วางความคาดหวังได้ใช่ไหมความคาดหวังได้นะแต่เราก็ทําแบบนี้แต่บางทีเราก็ใช้กัญญาแลนะ้วมาเปรียบเทียบว่าตอนที่เราเป็นเด็กๆ เ, เราก็อาจจะเป็นแบบนี้แหละนะ มันก็วางใจได้แต่บางเปรียบเทียบก็คลุกนะเราเชเป็นเด็กช่นดีตัวนี้ <c oughs> เช่นดีตับนี้นะเราเป็นย่าแม่เรียกร้อยนะไม่ดื้อเหมือนลูกนะหรือบางทีครูสมัมนี้เนาะบนเนาะม่รู้สี่สมัมนี้ไม่มีควนมรับผิดชอนั่นนี่เยอะแยเราสมเราเลี้นงก็เป็นอย่างนี้นะนแต่นั่นคือเพระแหละเราไม่ย อ, อมรับความจริงอแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนาะ หรือถ้าเราดูจริงจริงอ่ะตัวตรเองอ่ะวันนี้มีเกียรติผมเกิดขึ้นในจิตใจใช่ตอนเช้าตื่นขึ้นมาอารมณ์เป็นแบบไหนอ่าปุ๊บชวนลูกมาปฏิบัติธรรมได้อย่างดีใจพอมาปฏิบัติธรรมกับลูกไม่ยกยี่ยกยี่อ่ะเสียนใจนะใช่ไหมกลับไปที่บ้านนะลูกก็เหมือนจันโยนะตอนมาแล้วได้ก็อืม อาจจะไม่พอใจแต่พอเขาได้กลับไปเขามีความสุขใจนะคือ <c oughs> คนแต่ละคนที่อารมณ์มขึ้นขนลงแตกต่างกันอันนั้นถ้าเราเห็นมากไม่แต่ตัวเราเองนะแต่ละวันก็มีมีอาที่แตกต่างกันเราก็จะเข้าใจว่าคนอื่นเขาเป็นเหมือนกแบบันแต่การ ม, มีสติมันจะคล้ายๆเราจะไม่เข้าไปอยู่ในอารมณ์ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์จะดีหรือไม่ดีเรา แค่ส hear ังเกตคเขาทำหน้าที่เน่ยเป็นคนสังเกตดูว่าตอนนี้อารมณ์มันขึ้นขึ้นลงลงบุกๆุกทุบทแต่ผู้สังเกตนะมันจะเหมือนคล้ายๆเหมือนคล้า้ๆเหมือนเพื่อนบ้านนะแบบดูบ้านนี้เขาต้องกันเขามีความสุขเราก็แค่ดูแค่รู้ว่าเขาเป็นแบบนั้นแต่ไม่ใช่เราไม่เหมือนเราไปอยู่ในสถานะตรงนั้นใช่ไหมถ้าเราอยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็มีความขัดแย้งมีอะไรต่างๆเยอะๆแต่ถ้าเราแบบเหมือนเป็นเพื่อนบ้าน ก็รู้นะว่าเขาเป็นอะไรก็มีเคลื่อนหาการก็มีความสุขแต่เราก็ไม่ติดทุกข์ติดสุขของเขาด้วยะอืมแต่ถ้าเราไปรุ่นด้วยเนี่ยเป็นทุกข์สุดด้วยนะแต่ถ้าเราเป็นเองแค่ผู้สังเกตการเราจับจับดีๆกันภาวนาอย่างหนึ่งคือการเป็นผู้สังเกตผู้สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจสังเกตดูต้องมาจะเห็นความจริงว่า มันเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคะนนะนาอารงไรก็ไม่สามารถคงที่ได้ตลอดสุกก็ไม่เกินไม่เกินห้านาทีสิบนาทีนะทุกทีนะสุกเรามีความสุกอะไรทังย่างนะจะสุกจากอะไรบางทีกเจ้าเดียวสั้นๆนะพอไปคิดเรื่องอื่นสะอื่ละความสุกนั้น ท, นะทุกคนเหมือนกันนะไม่มีใครทุ้มยาวตลอดนะ มันมีแต่ทุกข์ก็จะดับเฉยบ้างแล้เตรียมอื่นบ้ากแล้วก็พอคลิกใหม่ก็ทุกข์ใหม่มันวนวนมันวนทุกข์อารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วถ้าเราเห็นมันก็จะดับไฟหรือถ้าเราไม่เห็นนะมันก็เหมือนคล้ายเชื่อเชื่อเพลิงทั้งอย่างนะพอมันไหม้จนหมดมันก็ดับไปทั้งหแต่แต่ละอารมณ์เป็นแบบนั้นเราสังเกตดูมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป แต่ถ้าเราปเป็นผู้ดูป็นผู้สังเกตนะมันก็เป็นเพียงแค่การสแสดงของอารมณ์ ม, มันไม่ใช่เราลองดูแบบนี้ติ๊กเป็นยังงบ้างหนุ่มสาวปฏิบัติครั้งแรกไหมลูกั้งแรกเป็นไง ตัดบทนี่ก็รุ่นๆของเราเลยนะนนนนยปนีนี้ดูไม่าพุงพุ่งได้นะเบื่อก็บอกว่าเบือ่อไม่ชอบก็บอกไม่ชอบนะี่ไม่ได้ผิดนะเบื่อนะ้ะดีเบื่อแล้วก็รู้ว่าเบื่อก็ ตอนปฏิบัติตอนประเมินวังก่อนสุดท้ายก่อนที่เราจะตื่กันก็จมีแต่กนะิจกรรมกิจกรรมนาร่ากิจกรรมก็ให้เดแต่ประเมินนะให้วาดรูปหน้า ย, ยิ้มหน้าบึ่งหน้าเฉยสมานะจะเขียนด้วยก็ได้นะท่านก็ไปอ่านโรบอทที่เรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องภาวนาเปไง <c oughs> หลายคนก็เขียนว่าเบื่อเบื่อมากนะไม่ชอบ หลายคนก็เขียนนะว่าชอบดีมากมีความสงบเราก็ไม่รู้มันก็ปฏิบัติเหมือนกันแต่คนนึ่งก็อีกกล่มหนึ่งก็ชอบมากคนอีกคลุ่นึงก็ไม่ชอบมากเลยอืมแต่เราก็รู้นะว่ามันก็เป็นธรรมดาเพราะว่าเราสอนตัวใหญ่บางคนตัวใหญ่ก็ยังบางคนก็ยังไม่ชอบนะบางคนก็ยังชอบนะไม่เหมือนกันหรือแม้แต่ตัวเองนะบางทีเราภานาบางวันก็เพลินปฏิบัติมาก ออกมาก็ขี้เกียจีเกียจไม่อยากปฏิบัติเลยใช่ไห ม, มแต่เด็กแล้วก็เข้าใจในความที่ัเก็อาจจะยังยังไม่ไม่เข้าใจเรื่องอเรื่องทุกบ้างแต่เด็กบางคนก็ ก, นะก็มีความตั้งใจนาะเขาก็มีของเ่าของเขามาอยู่แต่เขาบางทีวันนี้ก็าเกิดก็ไม่เป็นไรนะอย่างพ่อผมเขียนก็ไม่ได้บอกว่านะี่ย คือบางทีเราต้อใช้เขาไปก่อนขอเราไปก่อนเมื่อเขาคิดท่าเมื่อใดอย่างเมื่อเขามีเครื่องมือตั้งอย่างเออมันคุ้มใจทางไหนดีอ่ะเออนั่งสมาที่ล็กหน่อยยกมือสางจังหวะสักหนอยผัดเนยแก้ได้มีนะมีบางคนเด็กบนค น, คนจำชื่อไม่ได้เหมือกันเห็นใครใจแตกเสร่าไปฝั่งเขาฮะเ่อจอบวานเป็นไงเต่าไปฝั่งนอ้าวเล่าเล วานเป็นเด็กฉลาดนะคะแล้วก็มกักจะเถียงก็มกักจะเถีย ง, งแม่ะคะ่ะแล้วก็ก็เถียงแม่อย่างเงี้ยแล้วมีวันน้องป่าวานแม่ก็ดุน้องป่าวานน้องป่าวานก็เดินเดินหนีไปเดนเดินกลับไปที่ห้องตัวเองนะคะแล้วแม่ก็ใสไวันนี้ไม่เถียงเลยนะคะน้องปาวานก็บอกว่า ผมขอนัสสอ่งสติสงบสติอารมณ์สักแป๊นหนึ่งประมาณเนี้ยคือตระ่งไอ้แปวว่ะคอาจารย์ไปสามรบไ้สองรอบ่ะก็ที่ฉันนะคนะค ร, รบติดบางทีก็พอไม่รู้ตัวก็เขียนแม่ไปนะแต่พอบางวันพรู้ตัวก็ก็ต่อนั่งสงบสติอารมณ์ไปสัหน่อยนะมันก็ได้นะเราเองก็เหมือนกันบางทีผู้ใหญ่ก็ดื้อนักบางที บางครั้เราก็เดินไปต่อว่าต่อเถียงอะไรต่อต่อเต็มทีรู่ไปโกรธเต็มลู่นะแต่พอเราคิดได้เมไหร่ท่านเราก็อืมเราก็กลับมาตั้งสติีมันเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนน้ำตีความเผลอความหลงเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่แต่ตัวเราเองถ้าเราขาดสติมันก็ตกไปแบบนั้นแหละไม่ต่างกันนะ แตถ้าเรามีสติมากหน่อยมันก็โอกาสที่จะลงก็น้อยลงก็แค่นั้นแหละคนเราไม่ต่างกันนะแต่ต่างกันที่ว่ามีสติไหมหรือไม่มีสติบางทีไม่ได้เกี่ยวว่าดีหรือไม่ดีนะบางทีเราไปคิดว่าคนนี้คนดีอนะ่ะต้องดีตลอดคนนี้คนไม่ดีต้องไม่ดีตลอดแต่ที่จริงมันก็เป็นแค่แนวโน้มแตน่นก็เป็นแนวโน้มในการกระทํานะพระเจ้าท่านานอย่างง่ายๆว่าคนดีกับคนชั่วนเนี่ย ดูตรงไหนดูดูจะมีคำนิยามง่ายแบบไหนมีใครนิยามง่ายยิ่งสมัยนี้นุ่มชูคนดีประนามคนชั่วไม่ดูดยดีตนี้โดยชั่วอัูแบบไหนแต่พระาจ้าท่านบอกแบบนี้นะบอกว่าคนดีทําดีง่ายทําชั่วยาก ทำชั่วทําชั่วง่ายทําดียากแต่ก็รูเอาหน่ะใช่ไหมบางคนบางคนเี่ยโอ้ให้ทําดีเนี่ยง่ายนิดเดียวไม่ฝืนหรือชวนทําดีแล้วง่ายนะแต่บางคนเนี่ยโอชวนทําดีๆเนี่ยยากนะชวนก็แล้ังคับก็แล้วก็ฝืนแต่ขนาดนะแต่บางคนเนี่ยชวนทําชั่วเนี่ยง่ายนิดเดียวยิ่ียิ่งชวนไปยื่งทาไปยิ่งนักใช่ไหม แต่คนพ้นเนี่ยต้นก็าเชื่อเป็นไม่ดีมันเป็นเรื่องที่มันยากมันขื่อใจเรานะเพราะนั้มันก็เป็นมันก็เป็นนิยามไม่ง่ายนะแต่ก็พวกนี้ก็คืออะไรก็คือการสะสมทําปบ่อยมันก็เป็นแบบนั้นทําดีไบ่อยมันก็ง่ายที่จะทําดีทําไม่ดีบ่อยมันก็ง่ายที่จะทําไม่ดีที่จริงตัวสติกับตัวหลงก็คล้ายกันอั้งหมนะ เราใจหลงไบ่อยๆแนวโน้มในการที่จะหลงก็ต้องก็บ่อยก็ง่ายขึ้นแต่ถ้าเรามีสติบอนะ่อยๆนะแนวโน้มในการจะมีสติก็ง่ายขึ้นนะมันไม่ต่างไม่ต่างจากคนดีหรือคนไม่ดีอันนี้ก็เหมือนกันการมีสติกับการขาดสติอ่ะมันก็อยู่ที่ในชีวิตประจําวันที่เราทําบ่อยๆเนะี่ยมันขาดสติบ่อยไหมถ้าขาดสติบ่อยโอกาสที่จะมีสติมันก็ มันก็เป็นแค่ส่วนน้อยหรือว่ามันก็ยากมันก็ฝืนทันน้งหม่แต่ถ้าเรามีาสติ บ, บ่อยๆนะมาโสงไปก็นิดๆหน่อ ย, ย, ย, ยแล้วก็กลับมามีาสติได้มันเป็นการคล้ายๆมาฝืเปลี่ยนตัวตนเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนิสัยเปลี่ยนแปลคงความเคยชินเปลี่ยนแปลงจิตใจจากการกระทำมันสามารถเปลี่ยนได้นะไม่ใช่ว่า คนนี้ชั่วต้องชั่วตลอดัวนี้หลงก็ต้องหลงตลอดไม่ใช่หรอกนะมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนภาว่าบัวสีเหลาแบบนี้เนาะบัวที่พ้นน้ำมันก็เกิดจากฝนตกเหมือนกันนะนก็ไปพไปัฒนาเป็นทางฝนจับน้ําออกดอกเกิดงามแต่ถ้าบัวต้นไหนไม่ยอมพ้นจากน้าําก็เป็นอาหารปลาอาหารต่อไป เราก็เหมือนกันเราจะให้คี่หรือเราจงตลอดเสื่อจะพัฒนาขึ้นแต่เราก็เลือกเองนะเร า, าก็เลือกเองมีใครจะถามมีคใครจะตัวอะไรกระเจิงนะบางที ใมีชีวิตทั้งโรกนะครับบางทีบางงานหรือว่าอะไรเนี่ยมันต้องใช้ความคิดเยอะมากแล้ผมรู้สึกว่ามันยากนะที่จะให้กับคิดอยเรื่องนึงคิดงานผผแล้วก็ว่าโอเคพอแล้วตกอะไรอย่างเงี้ยยากมาเลยต้อใส่การฝึกผมก็เหมือนได้ขอ้อสรุเปเกิดตัวเองไม่ทราบต้องลองสูตรให้อาจารย์ฟังว่าผมเข้าใจถูกไหมผมเข้าใจว่า คิดไม่ว่าตั้งใจขิดหรือลากิดเนี่ยมันเหมือ น, นนี่ที่ใช้ทางครคัวครับคือถ้าเราใช้ทิ้เป็นล่เาเาไปปอกผลไม้ไปหั่นหมูหั่นปลาอะไรได้ได้ขึ้นได้ประโยชน์แต่ถ้าเราใช้ทิชเป็นหรือเหลือเนี่ยมันจะหอนเัวเอปเลือกออกคือนอันตลายมากขึ้นอยู่บนเราจะใช้มันม ย, ยังไงผมเข้าใจครับใช่ใช ก็แบบนั้ น, นโยมเพราะว่าแต่ถ้าเราไม่ใช้มีดเลยนะมันก็เราก็มันก็จะมาทําหา ก, ก็ไม่ได้แบบนี้น้อยความคิดแต่ก็ต้องใช้มันแบบนั้นแ่ะแต่โยมผู้ทุ่ช่ชลที่ต้องอยู่กับโรกนะที่จริงแม้แต่อัยนยชนก็อยู่กับโรคนะมันไม่สามารถหนีโรคได้โยมอย่างทำตัว อ, อย่างคือเมืท่ายิ่งพักนะโยมยิ่ง นิ่งมีอายมากความสามารถนี่งานยเยอะขึ้น <c oughs> คนมาหาเยอะขึ้นอย่เห็นโอ้ยอย่างที่ว่า น, นะตอนหลวงพ่ออยู่ก็ดีติดตอนนี้พระาจารย์ไปศาลก็ดีเนะอคนมาหาเยอะมากงานหนักกว่าเรา <c oughs> ต้องดับฟังปัญหาก็คือนหรือว่ามีงาน น, นั้นงานนี้ก็ก็ต้องรับรู้ต้องแก้ปัญหาเพราพวกนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับโลกนั้นเกี่ยวข้องในเรื่อ ง, องโลกธรรมดา แต่ถ้าเรามีหลักธรรมนะเราก็เราก็จะสามารถค่อยๆใช้สติปัญญาในการแค่จะหาไปก็จะรูว่าตอนนี้มันเป็นความคิดนะที่ตั้งใจแล้หยิบมาใช้ตอนนี้มันดงไปคิดมันเผลอไปอารมมันเกิดขึ้นมาก็ก็ไม่ไม่เอามันก็วางมันก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับโลกทุกคนนะ นั้นพวกโยมอย่าไปคิดว่าเราจะหนีโรคได้นะ <c oughs> ไม่มตใครหนีโรคได้ไม่เป็นพระ้นหนีโรคไม่ได้แต่การเกี่ยวข้องกับโรคอย่างมีสติแล้วก็รู้จัใช้ความคิดใช้อารมณ์ใช้กายใช้ใจใช้วาจาเนี่ยน ะ, นะนะมันเป็นมันเป็นศิลปะที่เราต้องฝึกฝึกเหมือนเราบอเราบคงทีพ่อแม่คนระัวลูกจะเด็นมีดแล้วก็จเจ็บเนาะ แต่จริงถ้าเราเขาเราไม่ฝืนให้เขาจากให้ให้เขาทําเลยเขาจะทําไม่เป็นเลยใชนะอไมเรากลัวลูกวิ่งแล้วจะล้มเราก็าไม่ให้เขาวิ่งนะยเขาก็วิ่งไม่เป็นวิ่งนม่ได้เราเราตัวขี่จักรยานแล้วจะล้มเราก็ต้องให้เข า, าล้บ้างเผลอบ้างนั้นปฏิบัติทำก็อย่าไปกลัวมันต้องมันจะคิดมันจะพุ่งตั้ายมันจะทุกข์ที่จริงมันเป็นประสบการณ์เท่านั้นพนอะเราปฏิบัติบางทีมันเครียดก็้วมันทุกข์ไนะ จิตมันจะจำเลยอ๋อเครียดแบบนี้ถ้ามันทุกข์จิตมันจะผ่อนเองมันฟอนรู้ว่ามันจะคลายแบบนี้มันทุกข์มารู้สึกบางทีมันบางทีเราก็ตั้งใจเกินไปบางทีเกลีอารมณ์แล้วตั้งใจไปหวั่นมากเครียดเพราเราอยากแก้ได้เหมือนแค่นั้นเดินไปชนต้นแทนทางซอยตารลอยเราจะมันมีทางเลือกสองนั่นปีนข้ามกระแพงไปหรือว่าจะถอยกลับ แต่เราเห็นว่ามันข้ามไปไม่ได้แน่นอนมันมีจะ ต, ต้องถอยถอยไม่ใช่ว่าเรื่องปฏิบัตินะแต่ถอยไปถึงว่าวางใจเออจะไปคาดหวังมากมันก็ค่อยๆถอยไ ป, ไปนะพอใจมันค่อยๆผ่อนความคาดหวังความอยากได้ซึ่งก็จะบายขึ้นลองดูประสบการณ์ห น, หนึ่งที่บางทีเราได้ยินตัวรายการบอกนะว่าอย่าปฏิบัติแบบอย่าเอา ทำเร่งๆทำสบายๆอย่าไป็ยาพู้อย่าเป็นอยากเป็น ahu, อยา่อย า, ย า, ยามีได้กินเข้าใจอด้วยความคิดแต่พอปฏิบัติบาทงทีมเผลอทำเยอะๆจนมันอยากจะได้มันเตลอดึงตัวแต่ประสบการณ์ที่เราได้ทำผัดประนะิภูมิวันน่ะมันทาให้จําไม่ลืมนงไม่หนะไมให้จําที่คำพูดแต่จําที่ประสบการณ์นะพูดมันให้พูดมันเครียดดึงมนะันนยพอมันจะปีเข้าลงเหมือนเดิมแล้วมันจะถอยะอืม อันนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็ดีนะเป็นประสบการณ์ทั้งนั้นนะของหวังจะเป็นความเครียดจะเป็นความหลมก็เป็นนะอ่ะื ไม่ผมจะถามว่าบางทีผมจะมีอารมณ์มาณวาเหมือนพอลงโทลกคือลงโทษตัวเองเลยเดงตายไปอะไรอย่างเงี้ยคือมีอารมณ์แบบผมขี้เกียจนะพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเครียไปทั้งผมพี่ตั ก็เดจริงก็ขี่จมูกเให้ตายความเปน่วง่อมงตรเปอรนดนะแต่จริงก็พอถึงปลายแล้วก็รัวเองมันเดนไม่เหมือนอารเครียดยิ่งมันก็มีประโยชน์นะบางทีบางทีมันคุ้มแรงไม่เอกหนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราใช้เหมือนที่บอกมันเป็นมีนะครับคือถ้าเราใช้เป็นจริงก ก็จดีก็ดีไม่ได้ติดอับแผลก็คือเรารู้ว่าตัวเองขี้เกียจมากก็บางครั้งมันให้ปฏิบัติบ้างมันก็ดีนะแต่แต่ทนี้ขณะที่ปฏิบัติก็แต่ก็ต้องวางคอามควเครียดตรงนั้นออกไปใช่ไหมก็มาอยู่ของการปฏิบัติไปมันขึ้นไม่ได้ตลอดยิบซใช่ก็อย่างที่ว่าบางทีนะอย่างตอนบวชเนี่ยนะก็มีบางช่วงให้เด็กปฏิบัตินะะ ตอนเช้าทำว่าเสร็จให้เดินจมกลม 20-30 นาทีกนะ็เห็นนะเด็กหน้าตาสขาดูออก น, นะคนทีต้องเปลือยคนที่ไม่อยากปฏิบัติบ า, า, างคนก็ปฏิบัติก็ทำไปนะแนตะ่แต่มันก็สังเกตบางคนก็พอเขาทำแล้กแรกถเดนเลือนะแต่พอทำนี้เอยเขาก็เรื่องยอมรับแบบว่ามันต้องปฏิบัติแบบนี้แนะมันก็ปว้ใจมันจะหวานมากขึ้น แต่ถ้าบางคนไม่ยอมแล้วก็เดินไปกะทุกไปนะก็บังคับตัวเองบ้างก็ดีนะแต่ก็อย่าเปแต่ก็พอปฏิบัติก็จับหลักให้ได้นะอย่าไปเอาลงโกรขเกลียดมามาม า, มาปาผนด้วยปฏิบัติก็รู้สึกถึงการเคลื่อนไหน่อยู่กับปัจจุบันไปนะก็ทุกคนเดียวก็มีบ้างนะขี่เกียดนะ แต่ก็<ป>เดี๋ยวนานนะเดี๋ยวไปคิดเกลียนเป็นเดือนวันหนึ่งปในวันหนึ่งวันอีกเดือนหนึ่งก็คีเดเปลี่ยนอาจารย์ถอมได้คเวลาที่ดึกที่สุดที่เราควรจะยกมือสร้างสวัสดีคควรเป็นเวลากี่โมงนะัเพราะว่าฉันมีประสบการณ์คือตั้งใจมากึงไปล้ะตาค้าง บอว่ามันจะนอน ย, ยากบอว่าตั้งใจแบบทำวันหลายรอกอะไรเงี้ยก็ เ, เลยมานนะคิดว่ามันต้องมีทารออกทางมนะว่าเด็กสุดมันไม่ปวดตือนสักหโมงสองทุ่มนะเนีมันจะเอเลอร์แตาตื่นก็ไม่ไม่ไม่มีหรอกอค่ณหอเาคบางทีเราก็เนตชีก็ยังได้ถึงทำปฏิบัติตแบบั้งวันตั้งคืนก็ยังได้แต่ แต่ตอนก่อนจะนอนตอเจะนอนให้ทำแบบสบายสบายก็ได้อย่างทีแล้วนอนบางทีก็ดับตามือปฏิท่าเล่นๆเหมนนะมันก็จะดับ ไ, ได้ที่จริงก็ไม่ใช่เกี่ยวกับว่ายกมือหรือเดินเป็นคงบุงทีมันก็เป็นอารมในช่วงที่เราแบบบางทีตั้งใจมากเอาจริงอาจังมากจริงคือตื่นตื่นมากก่าปกติก็มี นีมันก็เดยไม่หลับแต่ถ้าถ้าเราปฏิบัติทั้งวันแล้วก็ตอนจะนอนก็แบบทําเน้นๆหายใจเข้าหายใจออกสบายๆเร่งๆไปหรือว่ากระดิกเท้านะกระดิกนิ้วเร่งๆนะ่ะก็อันนี้ก็ทําแบบทําร่างกายให้สบายใจส่วนหนึ่งก็ทําใจให้สบายเลยคือแมบบันไม่หลับก็เรื่องของมันแต่ก็เร่งๆของเราไปจะ่เราเมืไหรก็เรื่องของมันคือเราไม่เครียด ที่มันไม่ดับแต่ถ้าเราเครียที่มันไม่หลับอะ่ะมันก็ยิ่งเหมือนมันก็จะยิ่งไม่ดับเป็นใหญ่แต่ถ้าเราไม่ดับก็ไม่หลับไม่เป็นไรสบายส บ, ยสบยไปอย่างต่นนี้อาจารย์กำนก็นนนก็เราในฟารมก็ไปหาก็ไปนล่นคุยกันในวัอยออย่างตอ น, นี้เป็นโลคเขเป็นโลนะคนะคนจะดับนี่ห้าออกทุ่มบางทีแบบคือแต่ก่อนเน่ยตอนทำทุ่มก็หลับ แ, แต่ตอนนี้พอร่างกายไม่ปกตินะ มันทำเองก็ไม่หลับห้าหกทุ่มอากาศเย็นๆสบายขึ้น่หม่ไม่คหลับมันแลับก็สองสามชมงก็ตื่นเครื่องใหม่เคือก็ก็ใส่ใจที่แบบยอมรับความจริไม่หลับก็ไม่หลับไม่หลับก็ดูมันไปเรื่อยๆแบบนั้นไปพอมันถึงจังหวะมันก็หลับเองใจเราถ้ามันยอมรับตรนี้ได้นะบางทีก็คือตอนที่มันยังไม่หลับใจเราก็วางไปก็สบายสบายไปตอนที่มันหลับมันก็ได้พักเป็นที่ ตื่นขึ้นมาก็ค่ะค่อยว่ากันใหม่แต่ถ้าคนที่นอนไม่หลับนะบางทีก็บางทีเราเป็นเครียดแต่เองที่นอนไม่หลับเนะี่ยมันมันจะมันจะเป็นความทุกข์บางทีเราก็กังวลล่วงหน้าว่าจะตื่นไม่ไหวนะก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งปางใจเลยไม่หลับก็ดีหลับก็ดีก <c oughs> <c oughs> ็าเรืองสองมันแต่ถ้าใครว่างใจได้แบบนี้นะก็ทำสบาสบ า, สบายไป <c oughs> อ, อย่างอย่งางเวลาปฏิบัติเนี่นยทําสายหระเพียรหรือม่ระคงเขียนก็จะแนะนําให้เราปฏิบัติกับอิเลียบทย่อยกับอิเลียบทหลักอะไรอย่างนี้นะคือตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับคือถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติกับทั้ง หมายถึงว่าท the ั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบเนี่ยบางทีก็เหมือนกับอย่างอย่าคุณชาบ้างแลวบางทีเราก็จะไม่เอาจริงเอาใจกับตัวเองมากเกินไปเพราะเนื่องจาว่ามันเหมือนกับในรูปแบบเราก็ได้ทํานอกรูปแบบเราก็ได้ทํางเงี้ยเช่นไรเราเพราะฉะนั้นนั่นคือเราก็จะไม่เอาจริงเอาใจกับกับการทําในรูปแบบมากนักเงี้ยคือตรงเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราลองเราลองดูยิ่งหนังเด็กๆอย่างเงี้ย เรียนหนังสืออาเงี้ยอาจจะลองดูเนาะบางวิชาชอบอย่างเงี้ยนะบางวิชาไม่ชอบอย่างเนงะี้ยใช่ไหมฮนะอย่างนั้นไลยมีทุกคนก็ต้องมีเนาะใช่ไหมฮนะอ่านเรื่องแบบนี้อนยะ่างเงี้ยนั่นก็คือตอนเนี้ยถ้าเราลองสังเกตดูแบบเนี้ยว่าวิชานี้ไม่ชอบเนี่ยพอเราเหมือนกับทําตามความไม่ชอบเนะี่ยใช่ไหนะ้ฮะอย่างเนี้ยเราให้ความไม่ชอบเป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยไมนอยากเรียนอนยะ่างเงี้ยตอนเนี้ยเนาะ ความอยากมันใช้เรานะให้เราไม่หลินให้เราไม่สนใจอย่างเงี้ยถามว่าเาแล้วผลเสียมันจะเกิดกับใครฉะนั้นเราเองก็ต้องเดือดเนื้อร้อนใจเนาะใช่ั้นอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยมันมันมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเร า, เราลองสังเกตเราลองสังเกตดูบา ง, งทีความไม่ชอบของเราเนี้ยมันอยู่ที่ตอนไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมเราลองสังเกตสังเกตแล้วมันสั่นอยู่ที่ครูสอนไม่เข้าใจใช อยู่ที่ตัวครูหรืออยู่ที่ตัววิชากันอะไรคือบางทีตรงนี้คุณก็ถ้าเกิดว่าเราได้สังเกตแบบนี้เนาะบางทีเราก็จะได้สังเกตคือตัววิชาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับพ อ, อวิชานี้ใช่ไหมอย่างนั้นต้องใจเราเป็นอย่างนี้อะไรอย่างงี้คือเหมือนกับว่าบางทีเราก็เรียนรู้เรื่องราวแบบนี้ไปพร้อมๆ ก, กันเมื่อค่อยๆ ค, อ ย, คอยสังเกตใจเราดูอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเหมือนกับ พอเวลาถ้าเกิดว่าเราได้มองเห็นแบบนี้นะนนะก็อาจจะลองกลับมานึกถึงนะว่าแบบว่าอาจารย์โน้นเคยแนะนําเอาไว้ด้วยบอกว่าเออนี่นะเราเนอะแบบว่าจะทาํทาตามความอยาก น, นะอย่างเงี้ยใช่ไหมเพรนี่เราไม่อยากเรียน น, นี่เราลองตื่นใจดูซี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างเงี้ยเราลองเรียนดูบางทีความรับผิดชอบในการเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยบางทีมันก็อาจจะทําให้เราได้เหมือนแบบว่าเออเราก็ ทนเรียนไปนะแล้วก็ลองดูจุดอ่อนดูตัวนี้ถ้าเราไม่เข้าใจบทเรียนเราจะทํำยังไงถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบครู้แล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าอืมแลาก็อาจจะกลับมาดูบทเรียนนั้นเป็นพิเศษของเราไปต้องเข้าใจไอะไรต่างๆตอนนีนนน้มันจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราก็ค่อยๆเรียนลง้ไปคืออย่างเด็กๆเรื่องความอยากก็เหมือนกันบางทีความอยากมันชีช้จนะับเนอะ แล้ว่อก็เคยเป็นใบรุ่นนะก็ <c oughs> ทีความอย่ากนนมันทิ้งจ้ำแบบนี้ยบางทีเราลองดูนะเราลองดูแบบว่าเราไม่ทำไม่ทำตามดูก่อนคืออย่างเวลาที่อยู่ ก, กับหลวงพ่อกำกียนเนี่ยเวลาพยาบาลหมอมาถามถึงความเจ็บปวดอย่างเนี้ยก็จะให้น้ำหนักนะเจ็บปวดกี่คะแนนอ่างเนี้ยเจ็บมากก็สิบคะแนนเจ็บน้อยก็คะแนนหนึ่งไเงี้ยบางทีเราอาจจะลองดูความอยากของเรามันอยาก มันอยากขนาดนี้ให้เราดูสิเราอดทงดูอย่าเพ Fo ิ ismus, ness, ่งทาตามมันนะถ้าทําตามความอยากเนี่ยพระเจ้าบอกเอาไว้นะว่าไม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่มากก็น้อยต้องเดือดเนื้อร้อใจได้มากก็น้อยได้เราเนเราลองดูเราไม่อยากเดือดเนื้อร้อใจจะทําตัวเราเองเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ไม่มีใครทํานะเกิดว่าเราทําตัวเราเองทําตามความอยากไปเราสังเกตดูต้องเดือดเนื้อร้อใจแน่นอนอย่างเงี้ยวันนี้เราไม่ทำดูเราสังเกตสังเกตให้ความอยากมันขนาดนี้อะไรเงี้ย บางทีเราก็อาจจะเหมือนกับพอผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งนะเราสังเกตดูอีกทีบางทีความอยากบางทีมันอาจจะลดอุณหภูมิหรอหรือบางทีอาจจะเพิ่มอุณหภูมิขึ้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราลองดูตรงเนี้ยบางทีพอเราเห็นเป็นแบบนี้บางทีมันก็จะเห็นมันเพิ่มขึ้นได้ ม, ดดไดมันลดลงได้มันลดลงได้บางทีมันอาจจะหายไปได้ลนะอะไรอย่างนี้เนาะอย่างเงี้ยคือบางทีเราก็เราลองสังเกตดู ให้การที่เราคอยคอยสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราตัวนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่มันทำให้เราเหมือนกับ ว, ว่าได้รู้นะพระเจ้านพจงเคยพูดกับทำลูกเรนในตอนในตอนบนนูช์นะว่าในใจเราเนี่ยมันเหมือนว่ามันมีหมาอยู่สองตัวหมาตัวหนึ่งตัวดำกับหมาตัวนึนตวง ต, นนตัวขาวอย่างเงี้ยในชะ่ไหมอั้นเนี้ยมาดำกับมาขาวก็จะกัดกันใะ่ <c ười> ไหมอย่างเงี้ยนี่มาตัวเนี้ย มาตัวไหนจะชนะนช่ไหมฮถ้าเราว่าหมาดำเป็นตัวสติตัวดีอย่างเงี้ยหมาขาวเป็หมาขาวเป็นตัวสติตัวดีหมาดําเป็นตัวกิเลสอย่างเงี้ยเนาะฉะนั้นมันจะอยู่ตรงไหนใครจะชนะก็อยู่ตรงที่มาถ้าเราให้อาหารตัวไหนฉะนั้ตัวนั้นมันก็จะแข็งแรงนั่นก็คือตรงเนี้ย่าคือชีวิตเราเนี่ยถ้าเราโตมาในระดับหนึ่งไม่แม้จะเป็นใครก็ตาม เราสังเกตตัว เ, เองดูคือความอยากเนี่ยถ้าเราให้อาหารตามใจเขาทุกวังทุกวังเขาก็ตอตขึ้นตโตขึ้นเนี่ยใก็อย่างทุกๆุกคนเนี่ยก็จะมีเรื่องของความใจร้อนความตามใจตัวเองหรืออะไรเนี่ยคือตรงเนี้ยเราจะค่อยๆเติมหย่อนกระปุกกระสินใส่ความตามใจตัวเองเข้าไปทีละเล็ทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยสิ้นตรงเนี้ยเราทําให้ ไอตัวหมาดาวในใจเหล่านี้มันมีอิทธิพลสูงนะเพราะว่ามันกระโดดลอดเต้นขึ้นมาทีหนึ่งเราก็ต้องาตามตามกํมาลยใช่ไหมครับเราะฉนั้นนั่นคือตรงนี้ว่าการปฏิบัติธรรมนะถ้าเราได้สังเกตสิ่งที่มันเกิดขึ้น ใ, นในใจเราใจที่เป็นปกติอยู่เนี่ยใช่ไหมั้ัเดี๋ยวมันจะถูกอะไรชนไปอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันถูกอะไรชนไปเนี่ยเราเองเราจะนยั้งได้วยมเราจะใช่ั้ม เราอาศัยความอดทนอาศัยอะไรต่างๆ น, นานเหล่านี้ลองดูสิอะไรเนี่ยคือตรงเนี้อย่างเวลาที่หลังสัมผัสกับเรื่องราวต่างๆเนี่ยความชอบความไม่ชอบเนี่ยโดยเฉพา่ชอบมากเลยนะเรื่องเรื่องของอาหารเนี่ยมันเห็นความชอบความไม่ชอบได้เร็วนะ <c ười> ภายในเวลาไม่ไม่นานครับเนี่ยความชอบความไม่ชอบที่ปรตกลงขึ้นมากับกับอาหารการกินเนี่ย อย่า ง, งสมมุติว่าพวกฟาสต์ฟเนี่ยเราซื้อมาด้วยความชอบนะพออิ่ปุ๊บเนี่ยไม่ชอบแล้วก็ปังทิ้งไปเลยใ <c ười> ช่ไอย่างเรื่องของอย่างเดียวกันอะไรเลยเลยเมื่อทีท่านก็เราสังเกตใจตัวเราเองก่อนเมื่อดีเราก็เหมือนกับว่าบาทีเราก็จะได้เรียนรู้นะว่าเราควรจะเหมือนกับว่าจัดการกับใจเราอยางไเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่จัดการกับใจเราเนี่ยใจเราก็จะถูกเคาะหนัก ใจที่เป็นปกตินี่ยจะถูกครอบงำแล้วถ้าเปิดถูกครอบงาด้วยสิ่งที่ไม่ดีงามเนี่ยเราก็จะรับถูกกล้ามจึงในตางนั้นคือตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าจริงๆก็มันเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่ไม่ใช่เป็นในรูปแบบนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเรานยคอยคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงในใจคอยสังเกตเวลาที่เราม like, ีการกระทำอันนั้นอันนี pequeño, ้ทั้งวบบทั้งแบเป็นเป็นอย่างเนี้ย เราลองสังเกตดูคำพูดเดียวกันจากคนนี้ฟังแล้วชื่นใจคำพูดเดียวกันจากคนนี้ฟังแล้วอุ่นเย็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอย่างเี้ยมันก็เราก็เหมือนกับลองลองสังเกตลองสังเกตตรงนี้ดูนั่นแหละคือตรงเนี้ยนะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีโอกาสโอกาสที่จะปฏิบัติกันยิ่งในทางตามนี้ทางสายหรือวราเทียมหรือว่าต้องเขียนยเราเหมือนกับว่า พอมีความเคลื่องหมาย น, นึกถึงการปฏิบัตินะใช่ไหมอนยะ่างนั้นหรือเมื่อเวล า, าที่เรามีปัญหาขึ้นมา mm. เกิดมีก็เรียกว่ามีอารมณ์ที่มันอารมณ์อยากที่มันเกิดขึ้นมาในใจนะอยากจะไปต่อว่าอยากจะไปทําร้ายใครอยากจะไปทําทุกปทานี่เนี่นะนยเลองกลับมาอยู่กับความเคลื่อนไหวกลับมาอยู่กบลมไหใจที่เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกก็ได้ กลับมาอยู่กับการสร้างความเคลื่อนไหวอะไรขึ้นมาเราจะพบว่าอู่นี้ตัว น, นี้เนี่ยใช่ไหมว่าพอเวลาที่เรากลานมาอยู่กับการเคลื่อนไหวเนี่ยใจเราก็รู้พ้นมาจากที่ตัวความอยากที่พรอบงำแล้นั่นคือตัวเนี้ยเราก็มีวิธีการทั้งเหมือนแต่ว่ามีทั้งทางหนีมีทั้งทีไล่นะอย่างนี้แล้วนั่นคือตัวเนี้ยเรอยากให้พวกเราได้มองเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ย แทรกเข้าไปในชีวิตประจำวันแทรกเข้าไปในชีวิตประจำวันตัวนั้นตรงนี้นนเนี่ยเราเองเราก็เห็นว่าการปฏิบัติธรรมมันจะไม่เป็นอย่างผมมันจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราก็จะค่อยๆเนาะได้เรียนรู้เพราะว่ า, วาการปฏิบัติธรรมตัวนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการที่แบบเรารู้ตัวเองเนี่ยมันมีบทบทเ้าเรียกว่าธรรมะอยู่อันหนึ่งที่บอกบอกว่า แบบพูดถึงจิตนะพูดถึงจิตบอกว่าตัวตัวจิตเนี่ยคือโลกเนีแบบว่าคือตัวจิตตัวนี้นะที่เป็นตัวกำหนดคำว่าโลกของเราของชีวิตเราอย่างนง้นะมันจะมีอืมแบอืม จิตนี้ตัองอยู่เป็นนิดนึงไม่รู้ใจอิ่ไม่รู้ใจเบื่อบทบทเหนือจากนี้ไปจำไม่ได้เนาะสัญญาก็ไม่เที่ยงก็คือเราพูดถึงเรื่องบทนี้ก็จะพูดถึงเรื่องตักหานะความอยากที่มันมีอยู่ในใจเราเนี่ยเพราะว่าตัวจิตตัวเนี้โดยเป็นตัวที่เหมือนกับเป็นตัวกึ่งต่อคือความ ความที่จิตตัวนี้เนี่ยมันไม่รู้จักอิ่ไม่รู้จักแต็มนะครันั่นก็คือตรงนี้ยเราก็ต่อเป็นธานของตาหาตามตลอดเวลานั่นก็คือการที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็มาก็าเรียกว่าเรามาเรียกว่ามาดนะูมาดูจิตใจผ่ามการที่เราเรียกว่าการเจริญสติตัตวนี้การที่สติตได้เห็นเนะื้ ความั่ปนที่เข้ามาในจิตใจตรงนี้นะตรงนี้ถ้าเราเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆแล้วก็การกลับมโมลุสตัวการกลับโมสึกตัวตรงนี้จิตกามันก็จะหุดออกมานะฮหลุดออกมาจากการติ่ตอบเป็นท่าของตังหาตรงนั้นเพลยนั้นก็คือตรงนี้นะก็ชวนกันชวนกันปฏิบัติธรรมชวนกันทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบเนี่ยนะตรงเนี้ก็เหมือนกับว่าเครื่องมือ โน้ที่เรามีเนี่ยก็มีอยู่แล้วโนะ้มีสติมีการมีใจมีเครื่องมืออยู่เรียบร้อยแล้วนเนา่ยลองลองนะลองฝึกฝนกันแล้วก็การฝึกฝนตรวเนี้ยผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าเราเรียนรู้คุณพ่อคุณแม่ก็กลับมาเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนักเรียนอยู่ก็กลับมาเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนักเรียนของเราเนี่ยกลายเป็นตัวสติดนะตัวการตัวใจมันจะกลายเป็นตำนาไปเราก็จะได้เหมือนกับได้เรียนรู้ เรื่องใหม่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่มันเป็นเรื่องชีวิตจิตใจของเราแล้วก็ตัวนี้มันจะกลายเป็นธัรญาที่พาเราเนี่เราเดินทางไปบนทางธรรมก็ชีวิตเราก็จะไม่ล้มลุดำดรชีวิตเราก็จะเหมืนกับไม่มีก็เรยว่าอุปสรรค <c oughs> ความหนามที่มาจากจิตใจของเราดิ้นรนแล้วก็ให้พวกเราได้ตั้งใจกันทุกคน